พิจารณาอายตนะภายในคือตาหูจมูกเลนกายใจก็ได้พิจารณาอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสโพธะพระธรรมรมณ์ก็ได้แต่ถ้าพิจารณาอันใดจริงจะรูร้อย่า ง, ง, ง, ง, งอื่นทั้งหมดเนี่ยนะถ้าพิจารณาอันใดจริงๆริงนะจะรู้อันอื่นทั้งหมดเหมือนกับการรักษาศีลเนี่ย น, นพะพระพิสูจน์ที่เรียนพระวินัยปิฎกมากๆาเนี่ยบางทีเนี่ยท่านเบื่อเลยนะ นันบางองคเนี่ยร้องไห้เลยโว้ยทําไมมันจะทุกข์ป่า น, นี้ก็ไม่รู้อันนั่นก็สีนายอันนั่นก็สีนั่นนี่ยก็สิขาร้องไห้เลยนะศึกแล้วศึกไปอยู่บ้านให้ทันก็ยังไปสวรรค์ก็เข้ามั่งอันนนท์ก็ผิดอันนี้ก็ใช้ไม่ได้ท่านร้องไห้จริงๆแล้ววิ่งหนีเลยพระพิสุทธิ์จับไปฟ้อพระพุทธเจ้ารองก็บอกว่าเออนี่เธอสามารถรักษาได้สักสามข้อไหมโอ้ยอย่างนี้ได้พระเจ้าค่ะบอกเธอไปรักษากายวาจาใจก่อนแล้วกันนะ รักษาส า, ามทวารนี่แหละเห็นดีดโอ้อย่างงี้ทําไม่ยากทําได้เนี่ยนะแล้วท่านก็ไปสังวรกายวาจาใจนะพอท่านสังวรเรื่องกายวาจาใจมากๆแล้วอ่ะท่านรู้หมดเลยว่าวินัยทั้งหมดอะมันคืออะไรเพราะประโยชน์ของวินัยทั้งหมดเนี่ยคือกายวาจาใจทีนี้เอกายวาจาใจก็ยังเยอะไปอะก็รักษาศีลละนะเอาไว้ให้ดีกันแล้วกันอันนี้ถ้ารักษาศีลละนะเอาไว้ดีคนนั้นรักษาศีลดี ศีละนะคืออะไรทํายังไงกายวาจาไม่เกลื่อนกล่นกระจัดกระจายเนี่ยนะทํายังไงกายาพูดแบบพระ อ, องค์สอนถ้าเท้าสกตะก็คือกายกายญสมาจารที่ควรเสพกับไม่ควรเสพแบ่งให้แบ่งแค่นั้นนหละว่าจีสมาจากที่ควรเสพไม่ควรเสพเนี่ยนะก็คือกายที่ควรเสพไม่ควรเสพหมายว่าถ้าทําอะไรแล้วเป็นอกุศลอย่าไปทําถ้าทําอะไรแล้วเป็นกุศลควรทํา อันนัน้ถ้าจะพูดจุดประสงค์ของพระวินยัยง่ายๆมีอยู่เท่านั้นแหละแต่ถ้าแล้วที่ทำเนี่ยต้องรักษากุศลธรรมชั้นสูงนะคุณทําไปเถอะถ้าพูดแบบภาษาแบบประมัดหน่อยนะไม่ต้องแบบใช้สัพ์แสงอะไรมากมายนีย้ถ้าคุณจะรักษาศีลเนี่ยทํำยังไงบอกว่าคุณทําอะไรก็ได้ที่คุณคิดว่าคุณยังไม่เสียใจเพราะสิ่งนั้นในภายหลังเลยคุณทําได้ไหมล่ะทําอะไรก็ได้คุณจะพูดอะไรก็ได้แต่คุณต้องไม่เดือดร้อนใจในภายหลังเนีย คุณไปทําเถอะนั่นแหละคือสินะงแล้วแยกไปเดี๋ยวมันจะเยอะข้อเองอะไรแยกไปแยกมานะจะเยอะเองเอ๊ยพูดยังไงนะตัวเองจะไม่เสียใจในภายหลังเลยนะโดยโดยเหตุผลโดยชอบทำนะง่ายหรือยากทวกกรนเลนะพูดยังไงโดยที่ตัวเองไม่ร้อนใจในภายหลังเลยนะเพราะว่าพูดแต่ละคําเนี่ยลำบากใจทุกครั้งเลยนะไปพูดกับใครเนี่ยพูดไปพูดมามันเผลอเข้าไปเข้าวัจีทุจริตอกจนได้นะ พอเข้าวัตถีโทุเจริญอันใดอันหนึ่ง ก, ก็เต้นทางมาอีกแล้วไม่น่าเลยเราอะนะเราพูดทำไมนั่นอะมันมีประโยชน์อะไรเดี๋ยวก็ตำหนิตัวเองเลนะคนที่ใช้วาจาโดยที่ตำหนิตัวเองไม่ได้เลยอะคนนั้นแหละคนมีศีงที่ดูนะตัวเองยังไม่ตำหนิตัวเองนะแต่ไม่ใช่คนที่เข้าข้างตัวเองนะไม่ใช่นะไม่ใช่เป็นคนบอกถ้าชั้นทำนะทุกอย่างดีหมดไม่ใช่คนประเภทนั้นนะ แต่เป็นคนที่เป็นบัณฑิตจริงๆอ่ะนะตรวจสอบว่าอะไรเป็นความดีอะไรเป็นความชั่วอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษแล้วพูดคําพูดอันนั้นออกไปคําพูดนั้นแหละคําพูดที่มีศีลพฤติกรรมใดก็ตามที่ตัวเองไม่ตําหนิติเตียนตัวเองเอย่างพระอรหันต์นะผู้ที่มีศีลบริบูรณ์จะไม่ตําหนิตัวเองโดยประการทั้งปวงจะหยิบส่วนใดมาจะไม่ตําหนิตัวเองโดยประการทั้งปวง ท่นผู้ที่มีศีลบ like? ริสุทธิ์เนี่ยนึกแล้วอ่ะภาษาธรรมะเรียกว่าไม่กินแหนงใจเลยไม่กินแหนงใจเลยนั่นแหละเรียกว่าคนมีศีลคิดยังไงจึงจะไม่กินแหนงใจพูดยังไงจึงจะไม่กินแหนงใจแล้วก็พฤติกรรมยังไงจึงจะไม่กินแหนงแคลนใจตัวเองเลยอันนี้แหละเรียกว่าวิปัสสันท่านคนศีลดีจริงๆคือคนที่ไม่รู้จักวิปฏิสารเนี่ยนะรักษาศีลดีจนไม่รู้สึกเดือดร้อนเลยนะ มีอยู่เคยอ่านชาดกเรื่องหนึางไม่ใว่าวิทูลบัณฑิต อ, อยักษ์เาขาฆ่าวิทูลบัณฑิตเนี่ย น, น, นะฆ่าโดยวิธีประการต่างๆวิทูลบัณฑิตท่านไม่เสียใจแม้แต่นิดเดียวหน้าท้องใสตลอดเขาบอกว่าท่านทำไมท่านไม่กลัวเกาบอกข้าพเจ้าจะไปกลัวทํำอะไรข้าพเจ้าไม่ได้ทําบาปเอาไวอ้อ่านไหมคือไม่มีอะไรน่ากลัวนะเพราะรู้อยู่แล้วว่าถ้าตายแล้วไปดีอ่ะจะไปหนักใจทําอะไรใช่ไหม ถ้าเรารู้ว่าเราจะไปดีนะเวลาจะไปเราเสียใจไหมโอ้จะไปอีกแล้วสวรรค์จะต้องไปสวรรค์อีกแล้วเบื่อแล้วเกินเนี่ยนะมีในชาดในในพระไตรปิฎกก็คนลักษณะนี้มีอยู่แต่ไม่มากนียนะคือผู้ที่มีอัธยาศัยที่จะปฏิบัติเพื่อความบริสุทธิ์จริงๆเนี่ยนะจะต้องเป็นขนาดนั้นถ้าทําไม่ได้ขนาดนั้นเนี่ยก็ก็จะต้องปลูกฝังอัธยาศัยให้ทําไม่ได้ขนาดนั้น วิสัยของผ้าอริยะทั้งหลายเนี่ยเห็นสังขารโดยความเป็นของไม่เที่ยงอันนี้เป็นปกติของท่านคือท่านจะเพลิดเพลินในสังขารไปทำไมเนื่องจากสังขารเหล่านั้นมันไม่เที่ยงเนี่ยนะแม้ความสุขทั้งหลายเนี่ยเคยเห็นความสุขไหนที่เที่ยงไหมไม่มีเพราะสิ่งใดที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งที่ถูกประชุมกันขึ้นสิ่งนั้นไม่เที่ยงในที่สุดสิ่งนั้นก็มีอันแตกทาลายไปเพราะฉะนั้น ท่านน้อมไปหาสิ่งที่ไม่แตกทําลายไปเลยเนี่ยไม่ดีกว่าหรือเนี่ยนยะกล่าวว่าไปหมือ น, นกับว่าน้อมไปบริโภคกินแล้วกินอีกกินชนิดที่ต้องกระหายอยู่ตลอดเวลากับดื่มอมะตะอันไหนจะดีกว่ากันเนี่ยนะท่านก็น้อมไปเพื่อดื่มอมะตะธรรมคืออาสังฆตาธาตุเพราะฉะนั้นเป็นอาสังฆตาธาตุเป็นธรรมที่พ้นจากจุติและปฏิสนธิพานธ์พูดพู้ลักษณะนี้จึงน้อมไปโดย อโดยพระนิพพานโดยส่วนเดียวทีนี้ถามว่าเราน้อมไปหานิพพากับไม่น้อมไปหานิพพานเนี่ยตายเหมือนกันไหมก็ตายเหมือนกันทีนี้ถ้าไม่น้อมไปหานิพพานเนี่ยมีโทษคืออะไรเอาง่ายๆว่าถ้าไม่น้อมไปหานิพพานนั่นน้อมไปหามหาพูดถามว่าถ้าน้อมไปหามหาพูดมากๆเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นมหาพูดแปลเป็นภาษาไทยว่ามหาผีแต่คนที่เรานั่งๆอยู่นะถ้าลองตายเนี่ยเขากลัวไหมกลัวเนี่ยนะ คิดว่าเราตายแล้วคนเห็นแล้กลัวหรือไม่กลัวกลัวเนี่ยนะถ้าคิดดูนะมีโยมหลายคนเลยนะพอตายปั๊บเนี่ยนะลูกหลานที่มันเคยรักกันมากอะนะพ่อแม่ที่รักลูกรักหลานมากพอพ่อแม่ตายปับ๊บลูกหลานไม่อยู่บ้านไม่ได้เลยกลัวมากอะนะมันก็คือมหาพูดนั่นแหละที่กลัวก็กลัวมหาพูดนั่นแหละเพรามหาพูดทั้งหลายเนี่ยถ้าคนที่ติดข้องมากๆอะไรจะเกิดขึ้นลองทําปริญญาดูเถอะคนที่ติดมหาพูดมากๆนะ เอามาทบทวนดีๆนะอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อวานเดี๋ยวผมไปเล่าให้ฟังก็บอกว่าที่อเมริกาเขามีนักบริโภคมหาพูดอยู่คนหนึ่งบริโภคมหาพูดจนน้ำหนักประมาณสามร้อยปอน์กี่กิโลเพื่อวันสองร้อยห้าสิบกิโลคือเขาบอกว่ามันอ้วนจนขนาดออกประตูบ้านไม่ได้คือมันป่วยไงมันก็อยู่บ้านเล่นเกมกินไปเล่นไปกินไปก็อยู่นา น, านๆเขาน้ำหนักสามรอยกับปอน์เหมนน เสร็จแล้วมป่วยมป่วยก็ออกประตูบ้านไม่ได้ประตูมันแคบอ่ะพอออกบ้านไม่ได้ทํำยังไงก็บอกว่าเขามาทุบกําแพงทุบฝาบ้านเนี่ยแล้วใครจะไปยกไหวก็บอกว่าใช้รถยกเนี่ยนะมายกขึ้นไปส่งโรงพยาบาลถามว่ามีไหมอย่างเงี้ยนะเมื่อวานนี่โยมก็เล่าให้ฟังอ่ะนะบอกท่านดูทีวีอยู่รึเปล่าเขาบอกไม่ได้ดูก็เลยเล่าให้ฟังอ่ะนะ โอ้โเอาขนาดนั้นนะอันนั้นคือติดหนังอาหารอย่างเดียวใช่ไหมถ้าติดอย่างอื่นนี่จะขนาดไห น, นติดบินมากกว่ากินดินนั่นแหละติดน้ํามากกว่าเล่นน้ำทั้งทนน่ยนะเอาไม่ให้น้ําเล่นเท่าน้ําทะเลเนี่ยนะ <มา S 1> แหวก ว, ว่ายอยู่น้ําทะเลเป็นพันพันไมเนี่ยนะก็ติดในเนี่ยมหาพูดช่องว่างมหาพูดเรียกว่าอากาศเนี่ยนั่นก็ว่ายไปในอากาศเไปเถอะบินไปในอากาศไปเถอะทั้นถ้าติดมหาพูดมากมากนี่ควรจะเป็นอะไร นี่นะอันนั้นคือโทษของมหาพูดแต่ผู้ที่คิดออกจากมหาพุทธนยะเช่นแบบง่ายๆธรรมดาทั่วๆไปคนที่เริ่มบริจาคมหาพูดธคือให้ทานคนเหล่านั้นคนให้ทานกับคนตรณีในวัตถุใครจะมีความสุขกัก น, นนะะคนให้ทานเขามีความสุขนะคนตรณีนะพูดแต่เรื่องให้ปั๊บเนี่ยเครียดขึ้นมาเลยะมันจะมาเอาของฉันหรือเปล่าเนี่ยนะจะมาเรียอะไรอะไรอีกเนี่ยนะว่าคนที่ไม่ชอบให้นะเครียดทันทีเลยนะฟังแล้วไม่สนุกเลย เพราะฉะนั้นร่อมเดือดร้อนเนี่นะหรือทํามมาให้กับไม่ให้เนะี่ยต้องจากวัตถุอันนั้นเหมือนเดิมไหมจากวันยังเข้ามา น, นะ่เหมือนกับเราหุงข้าวอยู่หม้อนหนึ่งนะเราจะให้ทานหรือไม่ให้ทานเนี่ยนะข้าวมันก็มีอายุของข้าวใช่ไหอข้าวของเครื่องใช้ของเราทั้งหลายมันก็มีอายุ ข, ของมันอะถ้าเราไม่จากเขาเขาก็จากเราวัตถุทั้งหลายถ้าเราไม่จากวัตถุนั้นก่อนวัตถุนั้นจะจากเราก่อน เพราะฉะนั้นสังขารทั้งหลายเป็นเช่นนี้แหละแต่ถ้าใครติดข้องในมหาพูดมากๆก็ทุกข์เพราะมหาพูดมากๆในที่สุดนะอย่างที่ถามว่าถ้าติดในร่างกายมากๆอ่ะควรจะเกิดที่ไหนติดผมมากๆเกิดที่ไหนเกิดเป็นเกิดอยู่ในผมอ่ะนะเรียกอะไรเห็บหมัดเหาอ่ะนะก็อยู่แถวๆนั้นนั่งดีนะว่าสมัยนี้ไอ้พวกยาสระผมมันเยอะมันล้างออกไปหมดเลย ถ้ายาสระผมเหล่านั้นไม่มีต้งไปเลิกฟังธรรมมานั่งหาเห่ากันก่อนฟังธรรมจบทีก็นั่งหาเหาเปลี่ยนกันหาไปงันน้นนะ่ะเนะแต่นี้ว่ายาสระผมมันล้างออกไปหมดนัเนี่นี่ถ้าแล้วก็เป็นอย่างนั้นถ้าติดในเล็บมากๆอะ่ะก็อยู่เป็นเบเป็นสัตว์บางอย่างที่กินเล็บใช่ไหมกลุ่มกลุ่มกิน ม, มิชาติที่กินเล็บถ้าติดในผิวหนังมากๆอะ่ะก็เป็นเห็บกินผิวหนังเป็นต้นเนี่ยนะเพรา ะ, ะทุกแห่งในร่างกายเนะ โดยที่สุดแม้กระทั่งในลูกตาเราเนี่ยนะมีอะไรมามาเล่นน้ําอยู่ในนั้นได้ไหมหมอเล่าว่าสามารถมีพยาธิบางชนิดที่อยู่ในตาเนี่ยไหยเราบอกว่าเอ้าแล้วทํายังไงอหมอเขาบอกไม่ยากมันก็เหมือนกับเรายิงปลาในตู้กระจกอะนะยิงยากไหมไม่ยากเลยใช้แสงเลเซอร์ยิงเลยพราะั้นถ้ามาเวมาบิน เ, เล่นน้ําตาเนี่ยนะเล่นน้ําอยู่ข้างในลูกตาเนี่ยใช้แสงเลเซอร์ยิงเอา เพราะฉะนั้นขันห้าเนี่ยนะถ้าใครติดข้องเนี่ยเป็นที่พบใหม่ได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นจึงมีทางเดียวที่จะทำที่สุดแห่งทุกได้ออกซะนะพระพุทธเจ้าเสนอทางเลือกอยู่ทางเดียวทางอื่นไม่ไม่ได้แนะนำอะไรเลยแต่ทางอย่างอื่นที่เรียกว่าสวรรค์เป็นต้นเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าที่พักระหว่างทางเนี่ยนะที่พักระหว่างทางรอเวลาออกนั้นเข้าเท่ามองกันอยู่เท่านั้นเองเนี่ย นั้นการศึกษาพระธรรมคำสอนเนี่ยนะอย่างอย่างปฏิสัมพิธามักเนี่ยเป็นคำภีที่ที่เป็นไปเพื่อปฏิสัมพิทาอย่าลืมว่าปัญญาที่บรรลุปฏิสัมพิธาคือปัญญาแบบไหนปัญญาที่บรรลุอริยสัจคําว่าปฏิสัมพิธาเนี่ยปัญญาที่รู้ประเภทใช่ไหมสามารถแยกแยะได้แยกแย ะ, แยะ น, นี้ทุกนี้สมุ ท, ทยัยนี้นิโรดนี้นิโรธาคามินีปฏิปทา ปัญญาที่แทงตลอดในทุกเรียกว่าอัทธาปฏิสัมพิทาปัญญาที่แทงตลอดในสมุทัยเรียกว่าธรรมะปฏิสัมพิทาปัญญาที่แทงตลอดในนิโรเรียกว่าอัทธาปฏิสัมพิทาปัญญาที่แทงตลอดในทุกขานิโรทัคามินีปฏิปทาเรียกว่าธรรมปฏิสัมพิทาปัญญาที่มีความสามารถเอามาบอกมาพูดมาแสดงได้เรี ย, าามมรยกว่า เนโรติปฏิสัมพิทาปัญญาที่เชี่ยวชาญในปัญญาที่ดังกล่าวไปทั้งหมดปัญญา น, นั้นเรียกว่าปฏิภาณปฏิสัมพิทาเพราะฉะนั้นขอบเขตความรู้ในการรู้อริยเรียนปฏิสัมพิทาก็คือความรู้ในการเรียนอริยาศาสตรท์ทา้งหลายเนี่ยนะเรียกว่ารอบรู้อริยาศาสตร์โดยนัยะต่างๆโดยแง่มุมต่างๆนี้ถ้าจากการสรุปหัวข้อที่ญานะที่เราเรียนปฏิสัมพิทาไปแล้วเนี่ยนะ ข้อแรกก็โสตาวะทาเนปัญญาสุตตมเยยานังเนี่ยนะปัญญาที่ทรงจํำทำที่ได้ฟังมาแล้วชื่อว่าสุตตมยะยานฟังว่าไงฟังว่านี้ควรรู้ยิ่งนี้ควรรู้ยิ่งง่ายๆก่อนนะอะไรควรรู้ยิ่งหรืออริยสัจนั่นแหละควรรู้ยิ่งนี่หนหนึ่งอีกในหนึ่งก็คือควรรู้ยิ่งสังขารทั้งมวลด้วยยาตะปริญญา ถ้าเราเอามหาพูดเป็นตัวหลักหรือเอาอายตนะภายในเป็นต้นเป็นตัวหลักอนะคําว่ารู้ยิ่งก็คือรู้ยิ่งด้วยยาตะปริญญารู้ยิ่งขันธาตุอายตนะรู้พร้อมทั้งปัจจัยเรียกว่าอภินญ ย, ยะเนี่ยนะรู้ยิ่งแล้วถ้ารู้ยิ่งสังขารทั้งมวลเหล่านั้นน่ะนะไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาอันนี้เรียกว่ารู้ด้วยตีรณะปริญญาเนี่ยนะตีรณะปริญญา ส่วนรู้ในสิ่งเหล่านั้นจนสามารถละความสำคัญว่าเที่ยงความสำคัญว่าสุขความสำคัญว่าเป็นอาัตาได้อันนั้นเรียกว่าป ร, านะปริญญา